ยาซีเรียเรื่องซองบุญสาวเฮโซคนหนึ่งทราบข่าวว่า ทอดกรถินเป็นมหากุศลได้บุญมากจึงร่วมกับเพื่อนจัดทอดกรถินขึ้นโดยตัวเธอเองเป็นประธานกรรมการสายหนึ่งทุกครั้งที่เธอพบเพื่อนฝูงก็จะยื่นซองกรถินให้เพื่อนๆซ อ, องอะไรจะวิภาซองบุญจะ้ะเราเอาบุญมาฝากเพื่อนเปิดดูเห็นเป็นซองกรถิน ก็ใส่กันคนละ20บาท30บาทเพราะเดือนนี้ได้รับคนละหลายซองจะมีอาการเพรียบุญไปตามๆกันแถมบางคนปฏิเสธเพราะทำบุญจนหมดตัวแล้วสร้างความงุดงิดขัดเคืองและไม่พอใจให้กับวิพาเป็นอันมากเพราะกลัวว่าคณะกรรมการกลุ่มของเธอ จะได้เงินน้อยกว่ากรรมการคณะอื่นซึ่งหมายความว่าจะทำให้เธอเสียหน้าอย่างร้ายแรงเธอเดินไปพบตุม๋มด้วยสีหน้าที่บอกบุญไม่รับหน้าหงิกเหมือนยักษ์อดข้าวเย็นพร้อมส่งซองกระถินให้ซองอะไรจะวิพาซองบุญจะตุม๋มตุ๋มรับซองด้วยสีหน้างุนงง ฉันกำลังรวบรวมเงินไปทอดกฐินแจกซองมาทั้งวันได้เงินนิดเดียวฉันละกลุ้มใจมากรายได้คงไม่เข้าเป้าแน่เลยคนเราเดี๋ยวเนี้ยจิตใจยแย่มากทำบุญน้อยจริงๆวิภาจา๊ะฉันว่าเธอเข้าใจผิดซะแล้วการทำบุญให้ได้บุญมากไม่ใช่ว่าต้องทำมากหรือทำน้อย แต่ต้องทำด้วยความเข้าใจและความศรัทธาการทำบุญจะต้องสุข ก, กายสุกใจในขณะที่คิดจะทำขณะทำและหลังจากทำแล้วการที่เธอพยายามหาเงินทำบุญให้ได้มากแล้วเธอทุกกายทุกใจขณะทำเธอก็จะได้บุญน้อยนะจ๊ะการทำบุญให้ได้บุญมากพระท่านบอกว่า ต้องครบองค์4คือ 1. เงินบริสุทธิ์ 2. เจตนาบริสุทธิ์ 3. ผู้รับบริสุทธิ์ 4. มีศรัทธาให้แล้วไม่รู้สึกเสียดายภายหลัง